เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สิบห้าคราวที่แล้วเราจบหัวข้อเรื่องการเก็บกฎจริงเรื่องการเก็บกดนี่มันสำคัญน่ยนะคราวที่แล้วก็พูดถึงถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความอดทนเรื่องการเก็บกดเนี่ยอาตมาว่าบางทียากอยู่เหมือนกัน ยากที่มันจะเข้าใจได้ว่าอะไรกันแน่มันเป็นความเก็บกดอะไรมันเป็นความอดทนคือดูสภาพข้างนอกเนี่ยมันคล้ายกันมันไม่ต่างกันหรอกดูสภาพข้างนอกนะแต่จริงๆมันต่างกันที่ในจิตอย่างเช่นเราต้องไปฝืนฝืนไม่ทำในสิ่งที่มันมันไม่ดีมันไม่เหมาะมันไม่ควรเนี่ยอย่างเช่นเรารู้ว่าไปโกรธไม่ดี นะไปรักไปมีมานะอัตตามไม่ดีเราก็ฝืนใจเราคมใจเราไว้ไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าตามปกติเราจะมีความรู้สึกว่าว่าเออฝืนอย่างงี้เนี่ยนะมันมันยังไงอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึกโอ้ฝืนไว้ไม่ไม่ดีเลยไม่คุ้มเลยเพราะว่าคนเราควรจะปล่อยออกไปเลยมากกว่า ระบายออกไปเลยมากกว่าแล้วก็จะได้รู้สึกว่าหายใช่ไหมไม่ต้องไปเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยจะกลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจก็คิดอยู่แต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยมันต้องปล่อยออกไปเลยต้องแสดงออกไปเลยซึ่งถ้าอย่างนั้นละมันไม่ได้มีความอดทนมันไม่ได้มีความอะไรอะฟื้นใจหรือว่าอะไรเลย ถ้าอย่างนั้นนะคนนั้นก็จะติดนิสัยตรงที่เรียกว่าเวลามีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นคนนั้นจะต้องอะไรปล่อยออกไปเสมอโดยที่ไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจได้เลยซึ่งมันไม่ดีจะรักก็รักจะเกลียดก็เกลียดนั้นจะมีความมีมานาที่จะต้องเอาชนะค้าคานเงนีก็เอาให้เต็มที่เลยไม่ไจะเป็นอย่างนั้นน่ะพูดง่ายว่าดึงล้งจิตไม่ได้ นะควบคุมจิตไม่ได้มันเป็นไปตามกระแสของจิตที่ว่าจิตมีกิเลสยังไงก็ปล่อยไปตามนั้นแต่ตอนนี้เมื่อเราเข้าใจถูกต้องขึ้นมาว่าโอ้อยังงั้นไม่ได้หรอกถ้าปล่อยจิตยังงั้นแล้วแย่แน่ๆเลยจิตมันคงจะอะไรอะ่ะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสแน่ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะฝืนจิตข่มจิตได้เลยเพราะเราเข้าใจนี่ขึ้นมาเราก็เลย รู้ว่าเออบางทีมันต้องฝืนมันต้องขม่มต้องไม่ให้มันเป็นไปตามความต้องการของกิเลสที่มันอยากจะให้เป็นไปพออยากจะกินก็จะกินน่ะนะอย่างเขื่นียว่าม่วงเนี่ยถึงจะร้อนในก็จะกินน่ะคนบางคนเป็นเบาหวานน่ะนะกจะ็จะต้องกินน่ะหวานหวานก็ต้องกินน่ะไม่กินไม่ได้จนกระทั่งบางคนถึงขั้นยอมตายตายก็ตายแต่ขอให้ได้กินน่ะนั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นอันนี้ยมันจึงเป็นเหตุสําคัญที่เราจะต้องรู้ว่ามันไม่ได้หรอกมันต้องฝืนแต่ตอ น, นี้พอฝืนพอข่มจิตปับ๊บใช่ไหมอา้าวสมมติเหทนี่เราติดมากเลยเรารู้เราต้องหยุดมันบ้างยั้งมันบ้างไม่กินมันบ้างนะอย่าไปตามใจปากอย่าไปตามใจท้องเราเพราั่นก็ฝืนโอ้โหไม่กินไม่กินค้าเหนียวมะม่วงผ่านมาไม่กินก๋วยเตี๋ยวผ่านมาไม่กิน นะพยายามฝืนใจฝืนใจฝืนใจเราแต่อั น, นี้พอฝืนแล้วร้อนในสิร้อน ไ, นนไนนใโ น, ใอ น, ไนโอ้โหกินเข้าไปสิแหม ม, มาปั๊มอยู่ที่ทาธาตุด้วยบางคนเนี่ยธาเป็นาธาตุที่อะไรอ่ะเย็นนะกินเข้าไปมันอาจจะไม่รู้สึกร้อนมากเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ปริมาณด้วยนะกินไม่มากเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกว่า ร้อนในอะไรส่วนบางคนเนี่ยมันธาดมันร้อนอยู่แล้วเสรยจแล้วกินอาหารพวกร้อนๆนี่เข้าไปด้วยร้อนๆก็คือพวกข้าเหนียวาม่วงอะไรพวกนี้นะข้าเหนียวนั่นแหละตัวดีนะพอกินเข้าไปมันร้อนมันยิ่งร้อนบางทีกินแค่นิดเดียวก็ร้อนหนแล้วบางคนมะม่วงมันสุกแล้วมันโอ้โหน้ําตาหวานเลยล่ะน้ําตาลเนี่ยตัวร้อนดีนักแหละ พวกของหวานพวกอะไรพวกนี้ให้แคลอรี่สูงนะอ่ะตอนนี้มันต่างก็ต้องเก็บกดก็คือพอเราฝืนใจใช่ไหมเราบังคับใจเราพยายามไม่กินไอช่วงเนี้จิตเรากําลังสู้กิกเลสเพราะมันก็ต้องข่มกิเลสมันก็ต้องอะไรอะ่ะบังคับกิเลสไม่ให้กิเลสเนี่ยมันเป็นไปตามไปตามที่มันจะต้องการเป็น น่มันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นพอไอ้ตอนข่มตอนฝืนตอนพยายามบังคับพยายามสู้กับมันเนี่ยพู้ง่ายเราก็ต้องแหนะนี่นเป็นสภาพในจิตนะแต่นี่แสดงออกมาทางมือให้เห็นนั่นเองว่าแหนมันมันอะไรอ่ะมันดึงมันมันล้งมันไม่ให้มันเป็นไปตามตามที่มันอยากจะเป็นตามจิตใจ ตอนนั้นน่ะมันจะมีอาการเกิดขึ้นและไอตอนนี้แหละถ้าสมมติว่าเรากดมันขมมันเอาไว้นะไอกิเลสเนี่ยตอนที่เราข่มมันเอาไว้นี่แหละปรากฏว่าจริงๆน่ะเราอาจจะฝืนฝืนไปได้อ่าในช่วงนั้นในเวลานั้นสมมุติว่าค้าเหนียวมะม่วงเนี่ยเราก็ไม่กินได้สําเร็จนะแต่พอวินทีที่มันผ่านไปแล้วที่เราฝืนได้สําเร็จแล้ว ก็ปรากฏว่าไอ้ที่เรากดเอาไว้ได้แค่ไหนเนี่ยเราบังคับจิตเอาไว้ได้แค่ไหนไอ้ยีเลมมันยังไม่ได้หมดเกี้ยงเนี่มันโดนแต่เราเราขม่มเราบังคับเราฝืนมันเอาไว้เท่านั้นเองยังไม่ได้หมายถึงว่าเราล้างออกไปจากจิตเราเพียงแต่ ว, ว่าบังคับมันให้อยู่ในควบคุมเราได้เข้าใจไหมไอ้ตอนที่เราบังคับอยู่ในควบคุมมันได้เนี่ยถ้าเราเองนะ เราไม่สามารถที่จะเกิดปิติเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าแม้เพียงแค่อาการที่เราบังคับแม้เพียงแคง่อาการที่เราข่มมันได้นี่โอ้โหเป็นความน่ายินดีเป็นความที่เราชนะมันมาได้ขั้นหนึ่งแล้วถ้าใครไม่รู้สึกเกิดปิติสุขในในการขม่มในการฝืนในการบังคับมันได้ นะคนที่ไม่เกิดไม่เกิดอาการสุขอย่างนี้ขึ้นมานะคนนั้นแหละจะกลายเป็นเก็บกดเพราะอะไรเพราะข่มมันไวบ้บังคับมันไวฝ้ฝืนมันไวน้นี่สู้กับมันอยู่อย่างเงี้ยมันมันเหน็ดเหนื่อยนะจริงๆแล้วมันสุขหรือมันทุกข์ให้เรานั่งเฉยๆกับให้ให้เราทำอะไรได้ตามอารมณ์เรากับโอ้โหต้องฝืนต้องสู้กับอารมณ์ความรู้สึกเราอย่างเงี้ย อะไรมันเหน็ดเหนื่อยอะไรมันทุกกว่ากันฝืนสู้มันมันทุกมันทุกกว่ากันเพราะฉะนั้นไอการที่เราฝืนสู้แล้วเนี่ยนะมันทุกทุกมันเกิดขึ้นให้เราเห็นชัดๆแล้วบางทีทั้งเหน็ดเหนื่อยโอ้หบางคนนี่เมื่อยเลยนะเหนื่อยล้าจริงๆเลยว่าโอ้โหแค่ฝืนสู้เนี่ยแค่ไอ้าวเหนียวมาม่วงก่อจะผ่านไม่ได้นี่โอ้โหอย่างกับวิ่งมาตั้งหลายร้อยกิโล มันเหนื่อยจริงๆเลยหือบางทีรถเนี่ยแค่เข็นผ่านไปไม่กี่วินาทีเนี่ยนะหืมในจิตเราเนี่ยมันชักะเยอะมันดึงกัแล้วดึงกันแล้วจะให้มันผ่านไปดีไม่ว่าจะให้มันผ่านไปดีไม่ว่าโอ้สู้กันอย่างเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลยแต่พอมันผ่านไปได้เนี่ยนะโอ้โหจริงๆอาตมาถึงบอกว่าถ้ามันผ่านไปได้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราชนะแล้วมันจะเบามันจะสบายเลยมันจะมีความยินดีมีความพอใจมีความสุขเกิดขึ้น และความยินดีความพอใจความสุขเกิดขึ้นเนี่ยแหละที่เรามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นมันทําให้ไอสิ่งที่ละกี้เนี่ยที่เราสู้เนี่ยเราลูกเลยว่าโอ้โหเราอดทนได้เราเราอดทนจนเราชนะได้เนี่ยนะนะเราฝืนได้จนกระทั่งมีปิติสุขเกิดขึ้นนั่นแหละเราเรียกว่าอดทน น, นะแต่ถ้าเก็บกดอัตมาบอกแล้วว่าพอเราฝืนเราสู้เนี่ยแม้ว่ามันจะผ่านไปได้นะแต่ เราไม่มีความสุขเลยไม่มีปิติเลยเ ร, เรื่องทุกรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะจนบางคนเนี่เข็ดเข็ดไปซ้ํำไปกลัวกลัวเกิดขึ้นไยซ้ําไปว่าโอ้เดี๋ยวข่าวหน้ามันจะเหนื่อยกว่า น, นี้อีกหรือเปล่ามันจะหนักกว่า น, นี้อีกหรือเปล่าถ้าถ้ารู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยมันเริ่มเก็บกดแล้วแม้ว่าตะกี้เนี่ยสู้มันเหมือนกับชนะแล้วผ่านมาได้นะแต่เริ่มเก็บกดแล้วเพราะมันไม่ได้มีความยินดีไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเอง ทำสําเร็จนั้นได้เข้าใจไหมอย่างนี้แหละคืออาการเก็บกดเพราะฉะนั้นบางทีมันต่างกันแค่ตรงตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจได้นะโอ้พอเราเข้าใจปับ๊บมันกลายเป็นอดทนเลยเป็นขันติบา ร, รมีทันทีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจปับ๊บมันเป็นเก็บกดบา ร, รมีจริงๆก็ไม่ใช่หรอกนะอาตอมาใช้เองคือมันกลายเป็นการสั่งสมความเก็บกฎไว้ทันทีเลย บารบมีจริงๆเขาไปเาใช้ในแง่บวกนะเขาใช้ในแง่ดีเนี่ยอันนี้ให้ให้เรารู้เอาไว้ในะตอนนี้วันนี้เราจะมาขึ้นข้อใหม่นะหกการอิ่มตัวปัญหาบางอย่างเมื่อไม่รุนแรงจัดจ้านมากการปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็สลายไปเองได้แม้แต่การเก็บกดถ้าหากเป็นอย่างอ่อนๆมันก็สลายตัวไปได้ ยิตตัวนี้เปรียบเทียบกับทางธรรมก็น่าจะเป็นตัวอนุใยของอนุยัยอีกทีเพราะมันอ่อนแรงเหลือเกินจึงไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเนี่อันนี้อนุมาเห็นคานแย้งนะเก็บกดไม่มีสลายไปเองไม่มีคำว่าสลายเองเพียงแต่ว่าเมื่อมันอ่อนแรงเนี่ยเราเลยทาให้อะไรอ่ะมันไม่มีผลรุนแรงให้เราได้เห็นชัด ในในในเรื่องที่เราเก็บกฎนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างบางคนเนี่ยทำอะไรให้เราไม่พอใจแต่ว่าไม่ไม่พอใจเล็กน้อยไม่ถึงกับไม่พอใจมากนะเราก็จำได้อยู่พอเขาทำทีไรเนี่ยเรารู้สึกอืมคนนี้นี่แหมอยากจะพูดอยากจะว่าอยากจะด่าให้เพราะว่าชอบมาทำอย่างนี้แต่เราก็ฝืนไว้นะพอเขามาทำอะไรให้เราไม่พอใจ เพราะเรารู้สึกว่าเออเราไม่พอใจแค่นิดหน่อยอ่ะไม่ถึงกับหนักไม่ถึงกับแรงเพราะฉะนั้นก็เลยเออฝืนฝืนการที่จะไปด่าเขาเนี่ยก็เลยฝืนเอาไว้ได้เออไม่ไปด่านะไม่ไม่ถึงกับต้องไปติไปว่าอะไรเขาเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ฝืนเอาไว้ได้เพราะว่ามันไม่ถึงกับแรงจนกระทั่งเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้ทนไม่ไหวแล้วต้องติติงเตือนต้องว่าอะไรกันหน่อยใช่ไหม แต่คนนี้ก็ยังเก็บกดความไม่ชอบใจคนนั้นอยู่ก็ยังคาอยู่ใจใจอย่างนั้นแหละมันไม่มีวันสลายไปเองเพียงแต่ว่ามันเบาบางมันเลยทําให้คนนี้ยังคล้ายๆกับว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ไม่ไม่ไมไมแผงฤทธิ์ออกมาแต่แม้คนนั้นเนี่ยทําผิดเบาๆเยนะี่ยทำความไม่พอใจให้เราเบาๆนะแต่เราเนี่ย เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แต่ไม่ถึงขั้นปล่อยออกมาเป็นกายกรรมไม่ถึงขั้นปล่อยออกมาเป็นวจีกรรมแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยทำบ่อยๆเข้าไอ้ที่เราว่าเบาๆนี่แหละทาบ่อยๆเข้าซ้ําบ่อยๆเข้าครั้งที <Hyd ritis> ่2ครั้งที่สามอาจจะทนไม่ไหวแล้วคนนี้พอถึงครั้งที่3อาจจะทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอ้ที่เบาเนี่ยนะตอนแรกนะเบาตอนที่2เบาเพิ่มนิดหนึ่งตอนที่สมันเบาเพิ่มอีกนิด เบาหนักนะนะเบาหนักไม่ใช่เบาไม่ใช่เบามันลดลงนะเบาอันนั้นนะมันเริ่มทบมาแล้วนี่เบาหนึ่งบวกเบาสองบวกเบาสามมันมันจะไม่ใช่เบามันเริ่มหนักขึ้นละเพราะฉะนั้นธาตุอย่างแง่เห็นไหมล่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมันไม่สลายไปเองเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่มัมีสามสี่ห้าหกอะไรมาเพิ่มมันก็เลยคาแค่เบาๆอยู่ในอยู่ในใจเรา แต่มันไม่สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันจะสลายไปเองเป็นอนุสัยก็อนุใสเนี่ยแหละมันคําว่าอนุสัยอาสวะอะไรพวกเนี่ยนะมันคือกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตแล้วแสดงว่ามันสลายที่ไหนแล้วแสดงว่ามันยังฝังอยู่แต่พูดง่ายๆว่าเขาอาจจะใช้คําว่ามันฝังลึกอยู่ในกมลสันดานใช่ไหมมันเลยมันลึกเนี่ยมันเลยยังไม่ทัน มันไม่ขึ้นมาเป็นจิตสํานึกหรือว่าจิตใต้สํานึกมันลึกมากมันก็เลยเหมือนกับจิตไร้สานึกนะมันเลยมันเลยคล้ายๆว่าลึกมากแต่มันยังฝังอยู่ในจิตนะมันยังเก็บกดอยู่ในจิตมันไม่ได้โดนสลายทิ้งออกไปไหนเลยเพราะอันนี้นะการอิ่มตัวเขาใช้คําว่าความอิ่มตัวอตาตมา ก, กับจะบอก ว, บว่าแม้เบาๆนี่แหละกิเลสแม้เบาๆนี่แหละถ้าสั่งสมมากๆเข้ามากๆเข้า มันอิ่มตัวถึงจุดที่มันมากพอเมื่อไหร่การเก็บกดนั้นก็จะแสงออกมาเป็นผลให้ปรากฏออกมาบางคนเราเนี่ยที่มันไล่กิเลสเนี่ยมันไล่เก่กิเลสหยาบแล้วก็มาถึงขั้นกลางแล้วมาถึงขั้นละเอียดบางกิเลสที่มันเป็นขั้นละเอียดเนี่ยเป็นอนุสัยกิเลสที่มันเป็นตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยอะไรที่อยู่ในจิตเราเนี่ยนะ เราจะจับได้ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเริ่มเริ่มเบานั่นเองกิเลสมันเป็นกิเลสเบาขึ้นสวยกิเลสแบบสักกยะเนี่ยเป็นกิเลสจับหยาบใหญ่ๆเช่นโกรธใครรักใครหลงใครหน้ตัวใหญ่ๆพวกนี้จับจับง่ายเห็นชัดโกรธใครเนี่ยโอ้โหทีถ้าอาการอะไรออกมาเห็นชัดเป็นรักใครเป็นหลงใครก็เห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายนะ ามาหน้าหยาบๆก็ยังเห็นได้ชัดแต่พอเริ่มเริ่ ม, มแม้แต่ไปรักเนี่ยแม่แบบไปรักใครแบบอาวคราวนี้รักแบบขั้นกลางขึ้นมาหรือขั้นละเอียดขึ้นมาโอโหคราวนี้มันไม่ต้องไปจี๋จ๋าแล้วนะหรือบางทีมันไม่ต้องไปพูดด้วยแล้วนะแต่มันแค่มองเห็นก็อืมได้เสพแค่มองเห็นนี่ก็ยินดีพอใจแค่นี้ก็พอแล้วรักแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตนี้ บางคนอา้าวมันเริ่มละเอียดขึ้นแล้วอไอ้แม่มันมันไม่ได้ไปหยาบเหมือนอย่างก่อนแล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครยังยังไม่รู้เท่าทันยังไม่เห็นทุกได้ก็ชอบเก็บอย่างเงี้ยไว้ใจบอกเอาเก็บไว้บั่งจะได้รู้สึกว่าสุขดีเดี๋ยวไม่มีซะเลยเดี๋ยวจืดเพราะั <c oughs> บางคนนี่ก็จะเก็บนั่นจะชอบชอบฝังเอาไว้เออบางทีก็ชอบเนั้นบ้างชอบพรานี้บ้างเอ่อเก็บไว้ในใจไม่บอกให้ใครรู้ อ่แล้วก็ไม่มีใครรู้ได้เพื่อแต่ตัวเองรู้อ่ก็เก็บไว้อย่างเงี้ยแต่ไอเก็บไว้อย่างเงี้ยอย่างที่จะมาบอกถ้าคนนั้นเน่ยเริ่มละเอียดขึ้นเริ่มรู้กิเลสที่ที่มันซ่อนแฝงฝังอะไรพวกนี้มากขึ้น<ต>ก็จะรู้แม้อย่างงี้มันก็ยังอันตรายแม้อย่างงี้เดี๋ยวมันก็ถ้าสะสมไปมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, า, เ, ขาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นพูดจาเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นกายกรรมจนได้ วันถ้าใครรู้อย่างนี้นะก็จะไม่ไม่ไม่ยอมให้มันอิ่มตัวไม่ยอมให้มันสะสมขึ้นมาในจิตเราจนกระทั่งมากวันพอรู้ตัวเนี่ยก็พยายามหาวิธีการนมาล้างยิ่งที่เห็นชัดที่สุดเรื่องโทสะเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายนะถ้าถึงขั้นโหออกไปตบเขานะเกียดมากตบ <c oughs> อันนี้มันหยาบมากแล้วรู้ง่าย อ่ตอนนี้ไม่ตอบแล้วอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีกายกรรมออกไปแต่เรารู้ว่าบางทีด่าออกไปอาจจอย่างพวกเรานี่ด่าหยาบๆก็คงจะหายากอยู่เหมือนกันนะคงจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่แต่ด่าด่าแบบผู้ดียังอาจจะเริ่มอาจจะมีไม่น้อยหละตอนเนี้ยก็เลยเรารู้อะว่าเราโกรธเราไม่ชอบใจเราก็ว่าว่าวว่ารู้อารมณ์เราด้วย นะเราเริ่มจับได้ด้วยว่าโอ้โหน่าเกลียดนะั่นที่จริงเมื่อกี้แหมไม่น่าไปใส่เขาอย่างนี้เลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็เลยด่าด่าด่าแม้จะด่าแบบผู้ดีเนี่ยแหละเราก็รู้ว่าโอ้โหเราด่าไปแล้วอืนะเพราะถ้าใครจับได้อย่างนี้คนนั้นก็รู้อีกว่าโอ้โหไม่เหมาะไม่ควรจนกระทั่งคราวนี้แม้ไม่ด่าดูนะเรารู้แล้วนะคราวนี้โอ้โหรู้ตัวขึ้นมาว่าโกรธแล้เกลียดแล้ว นึกอยากจะด่ า, าไว้แล้วจับได้ก็เลยฟื้นขม่มไม่ให้มันออกมาเป็นวจีกรรมแต่ก็ด่าอยู่ในใจอีก <c oughs> นะก็ด่าเขาอยู่ในใจอย่างแล้วก็รู้อยู่ว่าในใจมันยังด่าอยู่เลยก็จับให้ได้อีกยังไมให้มันมละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยจนเนี่ยแหละจากตะกี้นี้สักยะไล่เข้ามาเรื่อยไล่เข้ามาเรื่อยจะเป็นอนุสัยเนี่ยนะนะซึ่งเราเราจะเริ่ม เข้าใจได้มากขึ้นว่าโอ้โหนี่ยังด่าเขาอยู่ในใจซึ่งเรารู้เลยเห็นไหมล่ะถ้ามันลองเก็บกดเอาไว้อย่างเงี้ยนะคุณศาสตสมไปเถอะคุณคุณบอกว่าเฮ้ยด่าในใจไม่มีใครจะยินไม่เป็นไรหรอกนะเจ้าตัวเขาก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ว่าเราด่าอยู่อ่าคนนี้ประมาทเลยนะแล้วก็คราวนี้อาจจะด่ากี่ชั่วโมงอ่าบางคนเนี่ยเผลอแล้วก็เอาอย่างเงี้ย ยิ่งด่าเข้ามากที่สุดเท่าไหร่ในใจเนี่ยนะมันยิ่งสะสมเพิ่มเลยความคราวนี้นะมันความชิงชังความจองเวรความอาฆาตความพยาบาทอะไรมันก็สั่งสมไปเรื่อยจนมันอิ่มตัวถึงจุดเมื่อไหร่คราวนี้แหละหลุดออกมาแน่คราวนี้ออกมาเป็นคําพูดแน่นอนออกมาเป็นสีหน้าสีตาออมาเป็นแววตาออกมาเป็นกายกรรมแน่นอน เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจได้ว่าเนี่ยโอ้โหต้องระวังเรื่องการอิ่มตัวด้วยนะอะไรนะอนุสัยก็คือกิเลสไงที่มันเล็กละเอียดแล้วมันมันอยู่ในจิตวิญญาเราเนี่ยลึกๆเริ่มต้องพยายามจับจิตเริ่มยิ่งต้องพยายามควานหาถึงจะรู้ได้ถ้าห ย, ยาบๆเนี่ยถ้าจิตเรายังห ย, ยาบๆอ ย, อยู่ไม่เจอหรอก หาไม่เจอราะบางคนเนี่ยกิริยาท่าทางอาการข้างนอกเนี่ยออกไปแล้วนะตึงตังด่าบ้างอะไรบ้างออกไปแล้วบางทียังไม่รู้เลยว่าโกรธเนี่ยจนกระทั่งด่าออกไปยังไม่รู้ตัวเลยบางคนเน่ยเพราะว่าไม่ได้เคยฝึกจับจิตตัวเองแต่คนอื่นก็เห็นที่เขาโอ้โหหน้ากระแดงตาก็แดง หูก็แดงปากก็แดงไม่ต้องทาลิปสติกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะต้องรู้นะสิ่งเหล่านี้เอาข้อต่อไปก็ 5.7 ก็อนุใสของอนุสใยก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆก็เขาใช้สำนวนให้เห็นว่าในละเอียดเนี่ยมันยังมีละเอียดลงไปอีกไม่ละเอียดลงไปอีกมันไม่ใช่แค่แค่ละเอียด ธรดาไงนะคือเขาพยายามจะพูดคือเขาในที่นี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาจะต้องการเปรียบเทียบให้เห็นไอ้กิเลสที่มันเล็กมากๆเล็กจนเขาถือว่าไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ได้เข้าใจไห ม, อมบอกไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วมันจะสลายเองไงอัตมากับบอกว่าไม่มีการสลายเองเ กิเลสที่ไหนก็ตามไม่มีการสลายเองกิเลสมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะสลายได้นี่คือเราสามารถกําจัดมันเท่านั้นมันถึงจะสลายไม่มีการว่าอะไรอะ่ะอยู่ไปวันๆแล้วมันสลายเองไม่มีนะไม่มีไม่มีฟุกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะนะกิเลสไม่ใช่เรื่องฟุก แหมถ้าวันพระจันทร์เต็มดวงโอ้ฟุกฟกเออมันลดลงไปเองไม่มีอ่ะนะแม้จะเป็นเศษทิตเดียวก็ตามแล้วบอกโอ้ยมันเป็นเหมือนกับผงทุลีในอากาศลมพัดก็ลอยไปแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นผงในอากาศมันเป็นอยู่ในจิตเรานะอะไรพัดมันก็ไม่ไปมันคาอยู่ในจิตเราอย่างนั้นแหะอันนี้หัวข้อต่อไป 5.7 การกันความผิดหวังไว้ต่างหากนะพวกนี้ปรับจิตเปลี่ยนจิตได้เหมือนกันกรณีตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งก็สามารถกันจิตในสถานการณ์หนึ่งไม่ให้เข้ามายุ่มย่ามในอีกสถานการณ์หนึ่งได้เช่นกําลังมีทุกข์หนักแต่พอเจอเพื่อนก็หัวเราะคุยกันได้โอ้พวกนี้ปรับปรับอารมณ์เก่งเหมือนกันนะพวกนี้ตัดนะ ตัดจิตเก่งเหมือนกันอะไรนะมนนนไม่จําเป็นต้องมีอาชีพตับหลอดหรอกอาชีพอะไรก็ได้คือพวกนี้แบบว่าสต๊อบจิตได้เก่งนะหยุดจิตได้เก่งชะ ง, งักจิตได้เก่งจริงๆกําลังเศร้าโศกเสียใจอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อสมมติว่าเจอคนอื่นโอ้รีบปรับจิตตัดจิตเลย บอกไอ้เรื่องเศร้าโศกเหลกี้เอาไว้ก่อนเอาเรื่องเฉพาะหน้านี้ก่อนจะต้องไปคูยคุยเรื่องการงานหรือว่าจะต้องอะไรอะ่ะยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสต้อนรับแขกก็เอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับแขกไอ้เรื่องทุกเหล็กี้นี้เอาเอาเอ า, เ, อาเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกแล้วนะไม่สลายไปเองอีกนะเออมันก็คาอยู่อย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเก่งตรงตรงปรับจิตได้เก่งอืม แต่ในสภาพสังคมทุกวันนี้ส่วนใหญ่มักจะ ก, กันไม่ได้ถ้าทะเลาะกับทางบ้านหน้าก็งอออกมาจากบ้านคุยกับใครก็ยังหนางออยู่โมโหใครมาคุยกับคนอื่นก็ยังพ่านโมโหไปหมดไม่มีการกันอารมณ์ไว้เลยอ๋ออันนี้ก็ธรรมดาแหละใครที่ปรับกิตไม่ได้มัน มันอะไรอ่ะมีกิเลสตัวไหนครอบงําอยู่มันก็เอากิเลสตัวนั้นอนะ่ะที่ครอบงําอยู่นั้นก็ไปโชว์ตามกิเลสตัวนั้นอย่าอย่าไปเข้าใจว่าแหมซื่อตรงดีคนนี้ซื่อตรงดีถ้าโกรธอยู่ก็ไปเจอใครก็เอาโกรดนี่ใส่คนโน้นคนนี้ไปหมดไม่ใช่ซื่อตรงหรอกแสดงว่าบังคับจิตตัวเองไม่ได้เลยนะการกันความผิดหวังจึงนับเป็นการสมาคมเข้าสังคมได้อย่างราบรื่นทีเดียว ยิ่งถ้าทำได้เก่งตัวเองก็พ้นทุกข์มากขึ้นเหมือนกันถ้าทำได้จริงนะมันเป็นแบบสายเจโตถ้าทำได้จริงเนี่ยสายเจโตเนี่ยตัดชั่วอยูดนั่ไว้ไก่อนนะพักลบเรื่องนี้อ้าสมมุตินะทะ เ, เลาะ ก, กับคนนี้นะไม่ชอบใจกับคนนี้เรื่องส่วนตัวแต่เรื่องงานอ่ะไ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ้ที่ไม่พอใจกันนนเรื่องส่วนตัว อันที่เรื่องงานอคุยกันกันุ่งกันิ้งได้นะแต่อย่าพูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องส่วนตัวเมื่อไหทะเลาะกันแต่ถ้าพูดเรื่องงานอ่คุยกันได้อคุยกันยังดิบดีเลยอ่แสดงว่ามีมีกาลังข้อนกิตมีเจโตตัดได้เก่งแต่ในสภาพสังคมทุกวันนี้ไอ้ที่เขาพูดเนี่ยถ้าทาได้จริงมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทำได้จริงแต่มันเป็นการเสแสร้งมันเป็นกิเลสซ้อน กิเลสที่เราใช้อีกภาษาหนึ่งคือว่าคือว่าใสหน้ากากเข้าหากันเขาไม่ได้ปรับจิตได้เขาไม่ได้ตัดจิตได้ mm. เข้าใจไหมแต่มันเป็นการที่ว่าเพื่อผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะก็เลยเอาหัวขอนอีกหัวหนึ่งมาใส่แทนอย่างเช่นบางคนเนี่ยโอโหกำลังทุกข์กำลังเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าเอาหวังลาบหวังอะไรจากคนอื่นเขาเนียบางทีแหม ยิ้มแย้มหัวเราะแสดงอะไรไปอีกมุมหนึ่งให้ก็ได้เลยแต่จริงๆที่ยิ้มแย้มหัวเราะแสดงไปอย่างนั้นก็เพื่อหวังผลประโยชน์โลภหรือว่าอะไรอีกอย่างหนึง่งเพื่อที่จะเอามาที่เราถึงถึงชอบใช้ว่าคนทุกวันนี้ใส่หน้ากากเข้าหากันบางทีเนี่ยโหเกลียดกันแสนจะเกลียดกันจะแหมเจอกันในยิ้มเหมือนไอภาพประตูนที่เขาวาดอะยิ้มเข้าหากัน เอามือมืออีกข้างนึงก็โอบกันนะนะแบบแบบผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ทักทายกัน อ, อะไรอนะแบบฝรั่งอะน่ะแหมเข้าหากันมือโอบกันแต่อีกมือนึงถือมีดอยู่อะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้ออนมันเป็นการเสรียแซงมันไม่ใช่เป็นการปรับจิตจริงนะมันมันต่างกันไปอีกนะแต่คนนั้นเนี่ยจะต้องค่อนมาในลักษณะของฝึกเจโตมาฝึกจิตมาหรือแม้เขาไม่ไม่ได้มาฝึก เป็นแบบวิชาการเป็นแบบทางการแต่เขามีเจโตของเขามาก่อนแล้วนะเขามีบา ร, รมีของเขาในเรื่องของการปรับจิตอย่างนี้มาก่อนแล้วอยากใช้คำว่าชา ง, งักจิตมากกว่านะช ง, งักจิตเรื่องนะั้นเอาไว้ไดนะ้แล้วก็มาเรื่องใหม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆเราต้องฝึกเจโตถ้าใครฝึกเจโตมาแล้วเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้ง่ายจะทำอย่างนี้ได้เก่ง ยิงขนาดบางทีเนี่ยโอ้ปวดหัวตัวร้อนปวดฟันอะไรเงี้ยพวกที่ฝึกเจโตมาเก่งๆนี่ตัดเลยปวดก็ปวดไปนะตัดจิตไปเลยให้จิตมาอยู่กับกระสินอยู่กับเรื่องอื่นนี่เดี๋ยวไอ้เรื่องปวดหายไปเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝึกเจโตมาดีๆเก่งๆแล้วมันทําได้อย่างนี้เพราะเนี่ยเป็นการกันอารมณ์กันจิตให้ไปอีกเรื่องหนึ่งได้ นะการกันอารมณ์หนึ่งมิให้ยุ่งเกี่ยวกับอีกอารมณ์หนึ่งจึงช่วยเบรกช่วยทุเราหรือกล่อมกล่าวความไม่สบายหรือยังมีปัญหาให้เบาบางลงได้แม้แต่ตัวเองกําลังทุกข์อยู่ในปัญหาใดเกิดมีเพื่อนอีกคนหนึ่งยิ่งทุกข์ในปัญหาเดียวกันกับเรามาขอคําปรึกษายิ่งเราให้ไปเท่าไรเราก็ยิ่งสอนตัวเรามากขึ้นเท่านั้นนี่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน อาตมานึกถึงตอนนั้นอนตาตมาป่วยไปอยู่ที่สีมาหน้าที่รักษาไอ้ริศิดวงเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งเขากำลังคือกำลังอยู่ในช่วงที่โอ้เจ็บปวดทรมานอยู่นะแล้วก็พวกเราไม่รู้ใครไม่รู้จาไม่ได้ละใครไม่รู้ไปเยี่ยมอาตมาตอนแรกไม่อยากออกมาจากห้องเลย จีตัวเองโอ้โหกำลังสู้อยู่กับความเจ็บปวดความทรมานนะ่ะนะเสร็จโอ้เขาก็มาเยี่ยมเละนะเราจะรู้สึกแหมจะไล่ไปจะยังไงอยู่ใช่ไหมโอ้ฝืนใจออกมานะแล้วเราก็ต้องข่มนะต้องพยายามขม่มบังคับไอตัวที่เรารู้สึกแหมมันเจ็บปวดมันมันทรมานอยู่เนี่ยพยายามขม่มออกมาพยายามพูดกล้วเขายิ้มเอออะไรทักทาย แต่เรารู้เลยว่าเราพยายามสู้พยายามฝืนกับจิตเราต้องพยายามตัดอารมณ์ไอ้ที่เรารู้สึกที่มันจะเจ็บปวดจะทรมานอยู่เนี่ยโอ้โหพยายา ม, มบังคับนั่นแหละถ้าถ้าใครฝึกจิตมามันถึงจะต้องโอ้โหข่าวนี้แบบมีเท่าไหร่ก็ลองมาใช้กันแล้วก็พยายามจะพูดยังไงจะได้ตัดให้มันเวลาสั้นที่สุด <laughs> เขาก็จะได้กลับเร็วที่สุดโอ้โหอย่าบอกใครเลย นะอันนีพ้พูดให้ฟังในแง่ที่เรียกว่าถ้าเราฝึกเจโตสมถะเราจะมาใช้ได้ในช่วงเวลาพวกนี้